ตามประสิทิว่านี้ท่านบอกพระห้องเวสนันนันติพระบะตาเนวนานจักอารามรุคเกตุยานิอนุษาพพยาตขีตาเ <c oughs> น, นตังโคเสนานังเขมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังชนะมะมะมะสาบุข้าประมุตติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้คามแล้วยอม บ, บินหาที่พึ่งต่างๆตาม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 ทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะ์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้นั่นก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่า <S <S เนี่ยเมื่อ <meilleur. S 2> สรุปลงมาแล้วก็ได้แกียติธาตุเกียขันเกียติจิตใจของเราในสมานเป็นภาชนะอันสําคัญสําหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืน เวลาเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตาม เ, เวลาของเขาตามการของเขาโดยเขากม็มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกเข้ามาใส่ตัวเองได้แตใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรา หนีย้อเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกล่องทุกเป็นผู้รับทราบทุกเป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจังสอนลงที่จุดสําคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่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 ใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากพิเลื อ, อาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการสแสวงหาที่พึงที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การสแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลา